สีนิยามกถา46ว่าด้วยนิยามส28รสั ก, กวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สั ก, กวาทีบุคคลผู้แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่อ น, นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสั ก, กวาที บุคคลผู้แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้แน่นอน มียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที บุคคลผู 1941, ้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น429สกกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีนิยามเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีสติปฐานมีสัมปัปทานมีอิทธิบาทมีอินทรีย์มีพละมีโพชฌงเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีนิยามเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีนิยามเพื่อไปสู่นิยามท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้สักวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีสติปัฏฐานไม่มีพจนชงเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีพชน์ชงเพื่อไปสู่นิยามท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้สี่ร้สามสิบกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโคตรพูบุคคล มีญาณในโ ส, สดาปฏิมักใช่ไหมพระวานนทีไม่ควรกล่าวอย่างนั <influences S 2> ้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลมีญาณในโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผล มียานในอรหันตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น431อปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียาเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคทรงทราบได้ว่าบุคคลนี้จะก้าวลงสู่สมัตตนิยาม ควรเพื่อบรุษทำได้ไมิใช่หรือสกวาตีใช่ปรวาตีหากพระผู้มีพระภาคทรงทราบได้ว่าบุคคลนี้จะก้าวลงสู่สมัตตนิยามควรเพื่อบรุษทำได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้นิยามะกะถาจบห ปฏิสัมพิทากถา47ว่าด้วยปฏิสัมพิทา432สกวาทียานทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมติยานเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมติยาน เป็นปฏิสัมพิธาใช่ไหมปรวาทีใช่ั ก, กวาทีชนเหล่าใดรู้สมมติชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงปฏิสัมพิธาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นั ก, กวาทียานทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิธาใช่ไหมปรวาทีใช่ั ก, กวาทีเจโตปริยญาณ หมายถึงยานที่กำหนดรู hardship, ้ใจผู้อื่นเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจโตปริยญาณเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีชนเหล่าใดรู้จิตของผู้อื่นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงปฏิสัมพิทาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีญานทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิธาใช่ไหมปรวาที en ent ent ใช่สกวาท ouais? ีปัญญา grip, s, Club, ทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิธาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีปัญญาทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิธาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีผู้เข้าสมาบัติที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์มีปัญญา ปัญญานั้นเป็นปฏิธรรมพิทาใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาตีผู้เข้าสมาบัติที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์มีเตโชกสินเป็นอารมณ์มีวายโยกสินเป็นอารมณ์มีนีลกสินเป็นอารมณ์มีปีติกสินเป็นอารมณ์มีโลหิตกสินเป็นอารมณ์มีโอทา ตกรินเป็นอารมณ์มีอาการสาญจายตนะเป็นอารมณ์มีวิญญาณัญจายตนะเป็นอารมณ์มีอากิจัญญายตนะเป็นอารมณ์มีเนวสัญญาณาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ถวายทานจีวรบินทบาทเสนาสนะถวายกีรนาปัจจัยเภสัชบริขารมีปัญญา ปัญญานั้นเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นตรีรสาปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าญาณทั้งปวงเป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีโลกุตระปัญญามีอยู่โลกุตระปัญญานั้นไม่เป็นปฏิสัมพิทาใช่ไหมสกวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นยานทั้งปวงจึงเป็นปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทากถาจบ 6. สมมติยานนากถาว่าด้วยสมมติยาน434ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสมมติยานมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ ไม่มีทำอื hungry, mm. ่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มียานอยู่และปัทวีกสินเป็นสมมุติจัตจะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหาผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีญานอยู่และปัทวีกสินเป็นสมมติจัตจะ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 ผู้ถวายกีฬานปัจจัยเพสัชบริขารมียานอยู่และกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเป็นสมมติสัจจะมิใช่หรือสกวาตีใช่ปรวาทีหากผู้ถวายกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารมียานอยู่และกีฬานปัจจัยเภสัชบริหารเป็นสมมติสัจจะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสมมติยาน มีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์435รสักวาทีสมมติยานมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลกำหนดรู้ทุก์ละสมุ ท, ทยัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยยา น, นั้นใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสมมติญาณกถาจบเจ็ดจิตตารมณกถา49วริายานมีจิตเป็นอารมณ์436สกวาธีเจโตปริย า, ยานมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาธีใช่ สักวาทีบางคนรู้ชัดจิตที่มีราคะว่าจิตมีราคะมีอยู่ไม่ใช่หรือประวาทีใช่สักวาทีหากบางคนรู้ชัดจิตที่มีราคะว่าจิตมีราคะมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยายาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีทำอื่นเป็นอารมณ์สักวาที บางคนรู Uno ้ชัดจิตที่ปราศจากปราคะว่าจิตปราศจากปราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดถูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นว่าจิตไม่หลุดพ้นมีอยู่ไม่ใช่หรือปลวาทีใช่สกวาทีหากบางคนรู้ชัดจิตที่ไม่หลุดพ้นว่าจิ ต, ไ ม, จตไม่หลุดพ้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยานมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์จ37ส้สกวาที ยานที่มีผัสสะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริยานใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กวาทีหากยานที่มีผัสสะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริยานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยานมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ส ก, กวาทียานที่มีเวทนาเป็นอารมณ์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 ควรเรียกว่าเจโตปริย า, ยานใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหากยานมีอนุตตะปะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริย า, ยานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริย า, ยานมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์สกวาที ยานที่มีผัสสะเป็นอารมณ์ไม่ควรเรียกว่าเจโตปริยานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที e. ยานั้นเป็นผัสสะปริยานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานมีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีอนโตตะปะเป็นอารมณ์ไม่ควรเรียกว่าเจโตปริยาน ใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทียานั้นเป็นอโนตตะ ป, ปะปริยญ า, านใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น438ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าเจโตปริยญ า, านมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีทำอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ประวาที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 สี่สกวาทีอนาคตยานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตยานั้นรู้อนาคตได้โดยมูลโดยเหตุโดยแหล่งกําเนิดโดยต้นกําเนิดโดยบ่อเกิดโดยสมุดฐานโดยเหตุเครื่องหล่อเลี้ยงโดยอารมณ์โดยปัจจัยโดยสมุทัยใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคตญาณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีอนาคตญาณนั้นรู้ความเป็นเหตุปัจจัยความเป็นอารามณปัจจัยความเป็นอธิปติปัจจัยความเป็นอนันตรปัจจัยความเป็นสมนันตรปัจจัยที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคาตยานมีอยู่ใช่ไหมปรว า, า, าทีใช่สกวาทีโคตรตะรพูบุคคลมียาในโสดาปฏิมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคล ผ, คผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลมียาในโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลมียาในอรหัตผลใช่ไหมประวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น440สประวาธีท่านไม่ยอมรับว่าอนาคตยามีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาธีพระสูตร ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานอนท์อันตรายสามอย่างคือ 1. อันตรายจากไฟ 2. อ, อันตรายจากน้ำา 3. อันตรายจากการแตกความสามัคคีจะมีแก่กรุงปาตรีบุตรมีอยู่จริงมิใช่หรือสกกวาธีใช่ปรวาธีดังนั้น อนาคตายานจึงมีอยู่อนาคตายา น, นกถาจบ9ปัจจุปันนญาณกถาว่าด้วยปัจจุปันนญาณสี่สี่สิบเอ็ดสกวาทีปัจจุปันนญาณมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที บุคคลรู้ยานั้นได้ด้วยปัจจุปันญาณนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลรู้ยานั้นด้วยปัจจุปันญาณนั้นนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลรู้ยานั้นว่าเป็นยานได้ด้วยปัจจุปันญาณนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที รู้ยาน right? mm ั hmm. ้นว่าเป็นยานได้โดยปัจจุปันญานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานั้นเป็นอารมณ์ของปัจจุปันญานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานั้นเป็นอารมณ์ของปัจจุปันญานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีถูกต้องภัรษะนั้นด้วยภัรษะนั้น เสวยเวทนานั้นด้วยเวทนานั้นจำสัญญานั้นด้วยสัญญานั้นจงใจเจตนานั้นด้วยเจตนานั้นคิดจิตนั้นด้วยจิตนั้นตรึกวิตกนั้นด้วยวิตกนั้นตรองวิจารณนั้นด้วยวิจารนั้นเออบิมปีตินั้นด้วยปีตินั้นระลึกสตินั้นด้วยสตินั้นรู้ชัดปัญญานั้นด้วยปัญญานั้นตัดดาบนั้นด้วย ดาบนั้นทากขวานั้นด้วยขวานั้นทากพึงนั้นด้วยพึงนั้นถากมีดนั้นด้วยมีดนั้นเย็บเข็มนั้นด้วยเข็มนั้นลูบคลำปลายนิ้วมือนั้นด้วยปลายนิ้วมือนั้นลูบคลำปลายจมูกนั้นด้วยปลายจมูกนั้นลูบคลำกระหม่อมนั้นด้วยกระหม่อมนั้นล้างคูดนั้นด้วยคูดนั้นล้างมูดนั้นด้วยมูดนั้น ล้างน้ำลายนั้นด้วยน้ำลายนั้นล้างน้ำหนองนั้นด้วยน้ำหนองนั้นล้างเลือดนั้นด้วยเลือดนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น442ประวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าปัจจุบันณยาณมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีเมื่อพระโยคาวจร เห็นท no ั Not ้งขานทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นยานั้นโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงมิเชฟหรือสกวาทีใช่ปราวาทีหากเมื่อพระโยคาวจรเห็นทั้งขานทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นยานั้นโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าปัจจุป ปัญญามีอยู่ปัจจุปั น, นนักญาณกถาจบ 10. ภรลาา น, นกถาว่าด้วยผลญาณ 443. ส, ส, ส, สกวาธีพระสาวกมีผลญาณใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีพระสาวกกำหนดผลอันเป็นคุณสมบัติของตนได้ใช่ไหมประวาธี ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีระสาวกมีผลายานใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีการรู้ความยิ่งและย่อนแห่งผลการรู้ความยิ่งและย่อนแห่งอินทรีย์การรู้ความยิ่งและย่อนแห่งบุคคลของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสาวกมีผลายาณใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีการบัญญัติขันอายตนะธาตุสัจจอินสียบุคคลของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมพระวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสาวกมีพลวาณใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีพระสาวกเป็นพระชินเจา้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เป็นประสัพพัญยูเป็นพระสัพพะทัสสาวีเป็นพระธรรมทัตสามีเป็นพระธรรมปฏิสารณะใช่ไหมปารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีระสาวกมีผลญาณใช่ไหมปารวาทีใช่สกวาทีระสาวกเป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นให้กำเนิดแก่มรรคที่ยังไม่มีผู้ให้กำเนิด เป็นผู้บอกมักที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้รู้มักเข้าใจมักฉลาดในมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น444ปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าระสาวกมีพลยานใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีระสาวกเป็นผู้ไม่มีญาณใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น รวาดังนั้นระสาวกจึงมีผลยาณพลยาณนกักถาจบปัญจมวัคจบรวมคาถาที่มีในวักนี้คือ 1. วิมุตติกถา 2. อ, อเกสก 2. อเสกขยานกถา 3. วิปรีตกถา 4. นิยามกถา หปฏิสัมพิทากถา 6. สมมติยานากถา 7. จิตตารมานกถา8อนาคตยานากถา9ปัจจุปัญญานากถา 10. บรลยานากถามหาปัญนาตจบรวมวครคที่มีในมหาปันาตนี้คือวัคที่หนึ่งเริ่มด้วย ปุกขลักถาวรที่สองเริ่มด้วยปรูปหารกถาวรที่สเริ่มด้วยภลกถาวรที่สเริ่มด้วยขิหิตะอระหาติกกถาวรที่ห้าเริ่มด้วยวิมุตติกถา 6. กชัตถวรตหนนิยามกถา ห้สว่าด้วยนิยาม 45, สี่สี่สิบห้าส ก, กวาทีนิยามเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตะใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีนิยามเป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึง่งเป็นที่หมายเป็นที่มันเป็นอมตะใช่ไหมประวาที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 ปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างที่เร้นมีสองอย่างที่พึ่งมีสองอย่างที่หมายมีสองอย่างที่มั่นมีสองอย่างอมตะมีสองอย่างนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานทั้งสองอย่าง ยังมีความสูงต่ำความเรวและความประนีตความยิ่งและหย่อนเขตแดนความแตกต่างร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิยามเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีบุคคลบางพวกก้าวลงสู่นิยามได้นิยาม ให้นิยามอุบัติขึ้นให้อุบัติขึ้นด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดให้บังเกิดโดยยิ่งให้เกิดให้เกิดด้วยดีใช่ไหมปราวาทีใช่ศักวาทีบุคคลบางพวกก้าวลงสู่สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอุบัติขึ้น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 มักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมักเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาปตินิยาม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 เป็นสภาวะธรรมที so. ่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกทาคามินิยามอนาคามินิยามอรหัตนิยามเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอรหัตมักเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรหัตตมักเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่ใชสกวาทีอรหัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาปัฏินิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 ใช่สักวาทีที่ต้านทานมีห้าอยา่างช่องว่างแห่งนิพพานมีห้าอยา่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมิจฉัตานิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมิจฉัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสัมมตานิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น447ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่านิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเมื่อนิยามเกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลก็ยังเป็นผู้ไม่แนนอนอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นนิยามจึงเป็นสภาะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปรวาทีเมื่อมิจฉั ต, ตานิยามเกิดขึ้นแล้วดับไป บุคคลก็ยังเป็นผู้ไม่แน่นอนอยู่ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีดังนั้นมิชัตตนิยามจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิยามมรรฐาจบ 2. ปฏิจจสมุปปาทะกถาว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทสี8ร้อยสีแปด สักวาทีปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีปฏิจจสมุปบาทเป็นที่ดับเป็นที่ต้านทานเป็นที่เบรนเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที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 ความเร็วและความประนีความยิ่งและหย่อนเขตแดนความแตกต่างร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น449๙สกวาที449สกวาทีปฏิจจสมุปบาท449สกวาที ปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชาเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชาเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฏิจจสมุปบาท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 สกวาธีวิญญาณที่เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีวิญญาณที่เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม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 ชรามรณะที่เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะนะที่เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีปฏิจจสมุปบาท เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยห้าสิบปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า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 ครั้ตรัสรู้แล้วจึงตรัสบอกทรงแสดงบัญญัติก่อตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายขึ้นตรัสว่าเธอทั้งหลายจงดูชรามรณะที่เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชาติที่เกิดเพราะพบเป็นปัจจัยสังขารที่เกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยรัตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตาม ธาตุนั้นได้ตั้งอยู่แล้วโดยแท้และตรัสว่าเธอทั้งหลายจงดูสังขารที่เกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้แลพิกษุทั้งหลายความจริงแท้ความไม่ผิดความไม่เป็นอย่างอื่นคือความที่ทำนี้เป็นปัจจัยมีอยู่ในสภาวะธรรมนั้นด้วยประการชนนี้อันนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีอยู่จริงไม่ใช่หรือ สกวาทีใช่ปราวาทีดังนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตีรห้าสิบกวาทีความดำรงอยู่แห่งธรรมความกําหนดความแน่นอนแห่งธรรมในปฏิจจสมุปบาทข้อว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนั้นเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง นิพพานก็เป็นสภาวธรรมที oh you sure you ่ไม no ่ถ <o> ูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีที่ต้านทานมีสองอย่าง ช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสั ก, กวาทีความดำรงอยู่แห่งธรรมความกําหนดความแน่นอนแห่งธรรมในปฏิจจตมุบบาทข้อว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนั้นเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งความดำรงอยู่แห่งธรรมความกําหนดความแน่นอนแห่งธรรม ในปฏิจจตุมุบาทข้อว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีนั้นเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสามอย่างใช่ไหมปรวารรทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวารรที สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสามอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสามอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสามอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีความดำรงอยู่แห่งธรรมความกำหนดความแน่นอนแห่งธรรมในปฏิจจสมุปบาทข้อว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย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 มีสิบสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ท่านทานมีสิบสองอย่างที่เรนมีสิบสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสิบสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปฏิจจสมุปปาทัถาจบ